ไว้ความเคารพหลวงพ่อและคณะสงฆ์ทุกๆองค์ทุกๆท่านนะครับทุกูอ่าจะพูดอะไรก็พูดไม่ค่อยเก่งเนาะแต่จะมาพูดจริงๆก็จะพูดก็ยากหน่อยแต่ว่าการพูดเล่นๆมันเป็นคนชอบพูดเล่นก็เลยไม่ค่อยได้ขึ้นเวทีนี่แต่ละทีก็ขึ้นยากพิธีการแบบนี้ก็ไม่ค่อยเป็นแต่ก็ <c oughs> ให้โยม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 ขวบินถั่วบัตรก็บางมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็น้าเยี่ยวยายกิ <c oughs> นฉี่ตัวเองนั่นแหละเพราะว่าเราก็กินอยู่ประจําอยู่แล้วแต่เราเปลี่ยนจากเวลานั้นมากินเวลานี้มันก็ดีมันก็ได้รสชาติในก ศ, ศึกษาถ้าเรากินตอนเช้ามันก็รสชาติอีกแบบหนึง่งแต่พอตอนเย็นวันนี้เรากินอะไรบ้าง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 อยู่ที่อยู่ความมุ่นหายอยู่ที่ไหนความสงบอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้เสียงสังัดแต่มันใจของเราสงบเมื่อใจของเราสงบ ป, ปุ๊บขนาดนั้นปุ๊บนี่หูมันจะมีอาการดังอยู่ตลอดเวลาดังเหมือนลมเหมือนลมพัดเหมือนกิ้งหรีดเตลายร้องในหูเราทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนอนมันจะดั ง, งๆๆๆๆๆอันนี้ที่แรกก็ไม่รู้ว่านึกว่าหูหูเราเนี่ยดับ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 กายเราอยู่กับความรู้สึกตัวเดียวเนี่ยจะปลอดภัยแต่ถ้าเราไปอยู่ภายในถ้าภาวะเหล่านั้นปุ๊บเนี่ยถ้าเราไปเห็นปุ๊บเนี่ยเราไปเห็นมันจะตื่นนอกโอ้มันจะตื่นในหลับนอกมันจะไม่ตื่นกายตื่นใจแต่ถ้าถ้าเราอยู่กับกายมันจะตื่นกายตื่นใจเมื่อตื่นกายจิตมันก็เกิดปัญญามันก็เห็นสิง่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ปัญญาของวิปัสสนาษมันไม่มัมนไม่